ลงตาบางทีจับบุหรี่อยู่ว่าจะจุดเนี่ยต้องจับอยู่เนี้ยสชั่วโมงขเขาจะมาจุดะบางทีอ่ะมันุเข้าไปดูเขา้เขาไปเลยไงตัวอะไรเหมือนสุกสตาไวอยู่เงี้ ย, ยอโอ้ยเ็นเจียบเหมือ น, นั้นนะเ น, นะาะผมนาแล้วนะ่เปิดแล้วใช่ไหมเนี่ย โอ้ลืมแล้วเนี่ยวันนี้ก็ฟังกุบารชายนนนนพูดฮขาือว่าสุดมันเลยนะสุดมันไม่ได้พูดเอามันนะแต่คนฟังแล้วมันโอ้โห น, นีเน่เป็นธรรมะที่ปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติจริงๆเราจะเข้าถึงจริงๆอ่ ะ, ะมันไม่ได้รู้อะไรเลยมันรู้เฉยๆเขาเรียกว่าหมดรู้หรือสักว์จว่ารู้ไอ้พวก อ่าเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เข้าไปถึงสภาวะจริงๆเนมันก็เป็นสัญญาความรู้แบบเป็นสัญญาเนี่ยมันก็จะฟังง่ายเพราะมันอยู่มันใช้เหตุใช้ผลคุยกันเป็นอย่างอยู่ในสมมติอยูต่ตัวนี้มันไม่มันเป็นของจริงนะตางรู้ตามเห็นตามสภาวะจริงๆที่เราเป็นมันเกิดผลจากการปฏิบัติไงก็คุย รอว่าูที่กูมาจ่ายพูไปฮะรอคนดูก่อ น, นอะไรที่จริงวันนี้ไม่ใช่วันหลงตาฮะเป็นวันของคูบาวจอบฮะวันพุธเนี่ย อ่าแต่ว่าพอหลวงตามาขเขาเรียกว่าสัญจรธรรมสัญจรไม่ได้อยู่วัดมาอยู่ปานบุรีนเนี้ยอยู่ปานบุรีก็เลยอทางอ่าพุทธธรรมการเพจใก้สุดก็เลยก็เลยให้หลวงตา ออกมาสนธนาธรรมเป็นกรณีพิเศษว่างั้นอสองทุ่ ม, มนี้ก็เลยมามีครูบาอาจารย์วัดอะไรนะสำนักปฏิบัติธรรมอะไรหลวงวิงน่ ไม่รู้ชื่อแล้วเราก็ไม่ถามเนา ะ, ะมาหลายรูปวันนีหหห้ห้ารูปเลห้ารูปแล้วก็มาจากที่ไหนอีกรูปหนึ่งนะก็ขออนุมโมทนาที่ได้มานั่งสนทนากันแบบไม่ได้นัดหมายถ้า <laughs> รู้ว่ามา ท่านอยู่ใกล้ท่านอยู่ห้องหินก็เลยมาเํามาคุยกันคุบาร์ชานก็โอ้ยเกาะมี่ความรู้ความสามารถเนาะอ่ะอะอะาก็ได้มานั่งสนทนากันก็เลยเกิดความคุ้นเคยเกิดความอ่าเรื่องเล่าในธรรมที่ได้สนทนากันอ่าสำนักอะไรนะสำนักปฏิบัติธรรมพิักศาสนาวงโอ้สานักปฏิบัติธรรมพิชักศาสนวง หัวหิ น, นวันนี้มาเจ้าสำนักพาลูกศิษย์ลูกหามานะมีมีคนมาถามว่าให้หลวงตาพูดเรื่องพญานาคตลกตลกไ้ไหมคะใช่ใช่ฮ่านฮน่้ตลกวันนี้ก็พูดพอดีอวันนี้ก็มีเจ้าสำนักนี่แหละ ่าพระที่อยู่เขาเห็นนี่แหละที่ว่าสำนักปฏิบัติธรรมพิพักอะไรนะสัจธรรวงศ์นงเนี่ยท่านก็มาพูดถึงเรื่องว่าอ่ามันเป็นยังไงที่มาของของพญานาคเรื่องว่าได้ได้ทุบทุวมทุบอะไรเนี้ยมันมันเป็นยังไงมันเป็นนิทานหรืออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยหลวงตาบอกไม่ใช่นิทานคือเมื่อเจ็ดปีก่อนหลวงตาเนี่ย เกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาก็เลยตามหาครูบาอาจารย์ที่อยาให้แก้ให้ไขย่อยให้ให้ตัวเองเข้าใจไหมก็ผู้เรีเขาแนะนํนำไปถ้ำเนี้ยถ้ำนี้วัดเนี้ยเขาเรียกว่าถ้ำอชันตาอยู่อำเภอของเกียเ้ยวของเกีย้ยวติดฝั่งโขงสุดเลย คือถ้าเดินเข้าไปก็าประมาณยี่จากหมู่บ้านเข้าไปประมาณยี่สิบกว่ากิโลนะประมาณนั้นไ ป, นนปไปอยู่นั่นเพราะว่าหลวงปู่นั่นะท่านอยู่มานานท่านไม่เคยออกจากถ้าเลยว่านันไงมีคนทะลมนับถือเยอะเราก็เข้าไปได้วยความศรัทธาอยากให้ท่านแก้ไขอะไรให้ประมาณเนี้ยทีนี้พอเข้าไปท่านก็เลยว่าให้หลวงตาเนี่ย ถ้ามีความกล้าอ่ามีความกล้าให้ไปอยู่ทํามัชันตาเนี่ยถ้าไปอยู่ทํามัชันตาคนเดียวได้ท่านจะบรรลุธรรมอยู่ในท่ามัชันตาภายในหนึ่งคืนเดียวท่านพูดอย่างเนี้ล้านเปอร์เซ็นประมาณเนี้ยฮะหลวงตาก็อ่าเกิดมาที่บวชมาเขาเพื่ออยา่าง อ่ารู้จักศาสนธรรมนี้แหละเข้าถึงศาสนธรรมนี้แหละมันจะเป็นอะไรไปก็มอ่าเอาชีวิตเลยเอาเลยผมไปอยู่ก็เลยขึ้นไปอยู่อ่าอ่าโอ้ยเดินเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะถ้าถือน้ําขวดหนึ่งไปเนี่ยน้ําอยู่ครึ่งเดี๋ยวโยนทิ้งอ่ะมันลําบากมากขึ้นท่ามัชันตาอนะ่ะอ่าท่ า, ามัชัานตาเนี่ยขนาดอยู่สงขนาดนี้ยังมีพระพุทธรูปอยู่สาม สามองค์พระพุทธรูปนะคือเขามีคนมีพระทังในเมืองเนี่ยเกิดสัทธาท่า น, นี้ตั้งแต่ท่านบวชใหม่ๆท่านเคยเข้าไปอยู่ภาวนาท่านก็เลยเอานำเอาพระพุทธรูปนีใส่หอมันสูงขนาดนั้นแห ล, หละใส่หอนะขึ้นไปประดิษไว้อยู่ตรงถ้ำอัสันามีสามองคนะ์พระพุทธรูปองค์ไม่ญ่ากอาไรหรอกอนะ และพระลูกหัวงั้นก็ว่าถ้าท่านอยู่ต้องรูงานา้นะพระพุทธลูกองค์กลางจะอ่าเสด็จมาสอนธรรมเราแันว่าเราก็แปลกๆดูเหมือนกันฟังแปลกเลยความด้วยความอยากด้วยความอยากบรรลุธรรมถึงธรรมเราก็เลยขึ้นไปอยู่ไม่ได้เอใจเลยจอ น, นั้นเพราะท่านหาอยากบรรลุธรรมอย่างเดียวนะก็เลยขึ้นไป ไปก็ไปอยู่คนเดียวนี่แหละคือมันน่ากลัวไงมันอยู่สูงอยู่ปิดอยู่หน้าผาถ้ำใหญ่ประมาณนั่งได้อยู่ประมาณร้อยสองร้อยคนเนี่ยอยู่สบายเลยแล้วเป็นที่แปกประหลาดถ้ำนั้นไม่มียุงนะอาจจะจะมีอะไรนะนกอะไรนะที่เอาน้ําลายทำหลงำำำังนกหลังนกหลังแอนเนาะแต่ทําไมมันมันมันตัวสีดำนะํำ อ่ ะ, อะเวลามันดินมันทุกเลยนะนั่นแหละอ่ะแล้ว ม, มันมีลังอยู่ตรงนั้นประมาณ 5-6 าลังไงแหละที่อยู่ผนังถ้ำอ่ะเพราะนั่งไปแล้วมาพิ๊วอ๋ อ, อแล้วอ่าเล้ยขัญญาขันยาที่เขาเล่าประวัติของถ้ำอย่างเงี้ยอ่ะเราได้ยินแล้วมันก็เป็นสัญญาไง ตื่นหน้ากลัวหน้าอ่าอะไรหลายๆอย่างานีพญายานาคตัวอะไรมีคนทันนีอะไรพร้อมเลยเนี่ยที่จะฟังมาเรื่องเล่าของท่านมาชัญญาพอขึ้นไปอยู่ที่เกงเนี่ยสัญญาตัวนี้ก็จะออกมาเอานะเขานั่งอยู่นั่งอยู่มันนอนไม่ได้หรอกนั่งอยู่นั่งอยู่คนเดียวน่ะกลางคืนมาฮะฮะ อ่าถ้าในตำนานอ่ะมีจริงนะแต่สําหรับหลวงตาไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เคยเห็นพญานาค่ะอ่าถ้าในเอาตําราคือพระหงษ์แปดบทมีดันโลบันัทะจริงไหมพูดถึงเรื่องพญานาคิงไหมอ่าแต่หลวงตาไม่เคยเห็นจะตอบว่าจริงหรือไม่จริงไ่ อ่ามันก็เป็นการที่คาดคะเนคาดเดาไม่ทฤษฎีหลวงจางก็อ่าไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ตอบเรื่องนี้เนาะอ่าไม่ขอตอบว่ามีจริงหรือไม่มีจริงถึงจะมีจริงนะอ่าเราไม่เห็นเนาะเราก็พูดไม่ได้เป็นปากเป็นคำจริงไหมมันก็จะผิดที่ใส่ว่าไม่เห็นก็จะไปพูดไปเชื่ออย่างเนี้ยนะแต่ทางพุทธศาสนาเนี่ยพูดในตำราใน ข้าหงแปดบทเนี่ยนะอ่าก็ถือว่าพูดถึงเรื่องพญานาคงานโธประนันทะถี่ไหมอ่าทีนี้อ่าความล่ำลือเรื่องพญานาค อ, อยู่ท่ามกลางก า, าเนี่ยมีหนาหูมากนะบางองค์เนี่ยว่าเคยมาเอาเลื่อยมาพันเลยอ่ะเรือยมาพันจนแล้วมือแต่เอานะอ่า พูดเชื่อก็ได้อ่าคุบาโอสดคุบะอสดึี่เป็นอ่าลูกศิษย์หลงตาเนี่ยแหละฮะแต่ท่านสิดไปแล้วเป็นบ้าเลยอะเป็นบ้าเลยนะแล้วท่านขึ้นขึ้นไปอยู่สี่ห้าหกลูกอะอยู่ท่าเ น, นี่ยนี้กลางคืนเลยวางงานเถ อ, อะอยู่ฮะไม่รู้ไม่รู้แต่กลัวอะไรก็สุดแล้วแต่เพราะว่าท่านขึ้นมาเองจะว่า ท่านหูดสืบเรื่องพญายนาคหลายหลายคนก็พูดนะแต่หลวงตาขึ้นไปอยู่คนเดียวนี่ไม่เห็นนะนะและ้วก็ไม่เจออะไรเจอแต่หนองบางแห่งนี้แหละอบินเะชื่อไปซชื่อมาอยู่จนแจ้งจนแจ้งจนแจ้งหลวงตาก็มานั่งอยู่คนเห็นหน้าท่ำฮนะอยู่สูงมากเลยนาะงเดียวเห็นประเทศาเราเนี่เห็นไหมั้ำโขงว่ามันจิตจิตในน้ำโขงตั้ง ข้ามาชัาาานตาหลังจากมันนั่งขำใจเองว่าโอ้ฮะ่ะเพราะความอยากมันติดบงังปัญญาถึงกับขึ้นไปอยู่ข้ามาชันตาอว่าจะได้บรรลุธรรมที่จริงก็ไม่มีอะไรเลยฮะฮ ะ, ะก็ได้แต่ว่านี่ยเพราะความอยากเนาะถึงติดปัญญาได้ได้ไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้ไปนั่งอยู่คนเดียวเี่ ก็กลับลงมาพอกลับลงมาเนี่ยอ่าก็เลยมามาเจอเขากําลังจกอ่าอ่าอะไรนะอะ ท, ทําทำพิธีบวงสรวงเพื่อจะทุบท่วมเน่คือเจอเองไม่ได้ไม่ไม่ได้พูดมิทานเรื่องทุบท่วมคือหลว ง, งปู่องนั้นแหละองเดียวกันนี่แหละครับลูกศิษย์ท่านที่เป็นแม่ชีอะไรประมาณนี้ ไม่ชี้อยู่ประมาณสามสี่ชี่ประมาณพระองค์เดียวท่านพ่อเเลยถามว่าทุกจาำมงสวมทําอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าท่านก็บอกว่าหลวงปู่อะไรก็สีสุดโทปู่สีสุดโทว่างั้นผ่านมาที่ไรก็ส่วมเนี่ยมาไปเป็นไปทางท่านผ่านบุรีของส่วมมานะ่ะเวลาพระเข้าไปอ่าขี่ไปอะไรเงี้ย เวลาท่านผ่านมาก็ไปโดนท่านท่านเลยมาฟ้องหลวงปู่ว่างั้นฟ้องหลวงปู่ว่าให้ชุบซะอย่างเงี้ยให้เอาช่วมเงี้ยออกจากทางผ่านซะาเนี้ยหลวงตาก็เลยถามว่าอ่หลวงปู่ปู่ทีสุธโธเนี่ยมาจากไหนท่านก็เลยตอบว่ามาจากคําชะโนดท่านเดินทางเป็นประจำว่างั้นหลวงตาก็เลยถามว่าท่านนั่งเครื่องมาหรือนั่งรถทัวร์มาฮะ จริงไหมเขาก็ตอบว่าท่านดำดินท่านมีฤทธิ์ดำดินมาเขาตอบแบบนี้จริงไหมเราก็เลยไปถามว่าถ้าดำดินมาเนี่ยมาจากคำชะนนดหรืออุดรจริงไหมมันจะผ่านบ้านกี่หมู่บ้านมาแล้วจะหลีกจะไงน่วมฮะจริงไหมกว่าจะมาถึงอุบลเนี่ยของแกยมเนี่ยช่ําเนี่ยฮะอะ แล้วทำไมทำไมต้องไปซ่วมด้วยรู้ว่าซ่วมก็ทำไมไม่ไปที่อื่นจ้ะท้าถ้ารู้จักว่ามีนิดมีเดียดจริงไหมเป็นกายชุดเนี่ยเทพเนี่ยเป็นกายชุดเนี่ยทำไมต้องไปมีอะไรขวางได้ล่ะจริงไหมหลังจากว่าทุกทำไมซ่วมเนี่ยเพราะว่าเอาเงิโยมเข้ามาเนี่ก็หลายหมื่นนะซ่วมเนี่ยจริงไหมถ้าพยายามอ้อนองง้อ ย, อย่างนั้นตกงได้ม่อง มันต้องไปเคารมหลวงตาเราว่าเนี้ยจริงไหมไปรเคารมาะนะทำไมขนาดเขาเข้ใสของเราก็ยังไม่รู้จักหรวงาก็พูดเนี้ยไอคนที่อยู่ลูกศิษย์เยอะๆเนี่ยเขาก็กลัวพญานาคมาทํำลายหลวงตาที่หลวงตาพูดอย่างนั้นเขาหาว่าเราเนี่ยไปปลามาสพญานาคฮะว่าเอาพวกเรานั่งอยู่เนี่ยว่าหลวงตาปลามาสนะ ถ้ามองอยู่พวกนั้นล่ะปา ม, มาพยานาจริงไหมหาว่าท่านโง่จริงไหมถ้าท่านมีนทธิ์ขนาดนั้นจริงไหมละ่ะเนี่ยเพวกนั้นแหละหถูกว่าพยานาคเนี่ยจะไปจุดเชื่มไปขี้ใส่หัวพยานาคเนี่ยเขานี่ยแหละปา ม, มาถ้าจะพูดถึงเรื่องความเป็นจริงจริงไหถ้ามีนทธิ์ขนาดนั้นเนี่ยถ้าพญานาคแบบนั้นอ่ะมันองไปทาลพ คือ ง, ง่อมากแล้วมันจะช่วยเราได้ขนาดช่วงมันยังไม่รู้จักนีกจริงไหมไไก็ลืมถามเรื่องนี้กูก็ลืมกู <c oughs> เลยไม่มีคําตอบจังกู <c oughs> ลืมถามมาแล้วกูจะไปถามใหม่เพื <c oughs> ่อจะมีคําตอบมัง <c oughs> ก็จะเอารายละเอียดเกินไปกู <c oughs> ก็ลืมรายละเอียดตัวนี้ซะ <c oughs> อ, อิวเอ้ <c oughs> สรเขาทุกไหมครับทีนี้ไม่รล้นะไอตัวน้เพราะว่าหลงการนี่นี้ออกมาก่อนเบื่อหน่านะโอข่าถึงเมืงอะไรแล้วอยู่อฮ <c oughs> โอยย อ, อ ย, น อ, ย, ยนอนเงงนะองอทีวี TV, ทุกช่องน่าจะมาเอามันไปนะเนี่ย เพราะว่า ข, านนาขา่าวเนี่ยนั่นแหละใช่าวอ่ะโย้ยโยี่กูชอบไม่ตรงยังหลไม่ถึงมาฟานบลีงงเนี่ยใะฮะอ่ะนั่นแหละเรื่องมาเนี่ยที่หลวงตาเนี่ยหลวงตาเนี่ยผ่านผ่านเรื่องราวพวกนี้มาเยอะเพราะว่าหลวงตาก็บวชมาก็เพื่อจะเข้าไปถึงเนาะอยากถึงอยากทำอยาเงี้ยเขาร่ำลือว่าถ้ำไหนอะไรเป็นอะไรอเงี้ยฮะ ก็อยากไปที่สุดเพื่ออยากให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปถึงตรงนี้มี่อมที่มือหารมีพระสององค์ขึ้นไปอยู่แล้วเป็นบ้าเลยต้องหนีระมาคืนเพราะไปเจองูใหญ่เขาว่าใหญ่ไม่ใหญ่ตามันเท่าตามอเตอร์ไซค์ n s r เขาว่าจริงจเขาพูดอย่างนี้ลหละเขาว่าตาพ ญ, ญานาคเนี่ยตางูใหญ่จนะ เท่ากับตาโมไซ N S R มันจะต้องขนาดนี้จริงไหมและตัวมันจะขนาดไหนมันว้วฮะลงตาก็าสนใจไงฮะหลงตาก็เลยไปฮะก็ยังไม่ขึ้นไปเลยนีับบล้วฮ่ามก็ฮ่ <c oughs> าฮ่ขึ้นไปขึ้นไปอยู่ไม่ใช่อยู่วันเดียวนะลงงตาอยู่ที่นั่น อยู่สองปีกว่าอยู่คนเดียวคือจากจาการตีนเขาเนี่ยึงไปอยู่ถํานานสามกิโลกว่านะถ้าเที่ยวเขาวัานอยู่อยู่สองปีกว่าเกือบสามปีแล้วไม่เจอไอ้ตัวใหญ่ๆุณเจอแต่ตัวเล็กๆขวเป่งงู <c oughs> งูเขียวก็มีหางไม่ก็มีไม่ก็มีอ่างูพรางเท้ า, าก็มีจริงอ่นะ เจออยู่นะแต่แม่แต่แม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะตัใหญ่สุดลู้สิดแตว่ า, อ า, ออออาอเอเท่าเท่าเท่าประมาณกว่าเอ็มร้อยเนี่ยมันตามันก็นิดเดียวนะตามันก็นิดเดียวลุงกาเขารออยู่นะกนะ็ไม่เจอนะนะอยู่ตรงนั้นเลยทําไมถึงอยู่นาน เขาอยู่ที่นันน่แล้วมันสงบไงนะมันสงบคือมันไม่มีใครอ่ามันไกลห่างไกลาจากหมู่บ้านจากชุมชนจากคนเลยได้นนอยู่คนเดียวเนี่ยมันมันกระลึกวิเวกกายเวกจิตวิเวกมันก็ได้รับความสงบอ่าสติเราก็ตั้งอยู่ได้นานอยู่กับกายได้นานอยู่กับความรู้สึกนะอ่าจนจนแน่ใจแล้วว่าอ่า อ่าอเราได้พอสมควรแล้วสองปีกว่าเราก็เลยลงมาอ่าแล้วปอยู่ยงั้นฉันยังไงเราก็ลงมาบินสบาะเดินลงมาจากนอนลงมาแล้วก็เดินจากทิงเขาเข้าไปในหมู่บ้านก็ประมาณบางวันก็ไปบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ประมาณสี่ห้ากิโลไปกลับก็สิบกิโลอยู่คนเดียวนะสองสามวันเราค่าอยมาบินสบาดชันน้่ย ก็เลยได้รับความสงบพอสมควรก็เลยลงมาแต่ก็ไม่ไม่ยังไม่เิดปัญญาอะไรเลยแต่เรื่องความสงบคิดว่าอารมณ์ของความสงบเนี่ยมันมันมันตอนนั้นก็นึกว่าตัวเองพอพออยู่ได้พอสมควรแล้วนะก็ลงมาพอลงมาแล้วมาอยู่แล้วมาเจอมาเจออ่า อ่ามาสุคามหรือผู้หญิงเนี่ยมันก็ยังฟุ้งไปตามโจทย์เขาอยู่เราก็โอทำไมนะเราก็ว่าเอ๊ะทาไมมันเป็นอย่างนี้นะเราก็ว่ามันยังไม่จริงเลอวะไม่ใช่ของจริงเลยวะเราก็ยังอ่าไปรักไปชอบไปโกรธไปอะไรเขาอยู่ไปคิดถึงเขาอยู่นะเราว่าเออมันไม่ใช่แล้วก็หาหนทางที่แก้ไขตัวเองแส ล้หลอดสิครตอนนั้นแสดงว่าตอนนั้นลงใตายัางหล่อดอยู่เนี่ตอนนี้ก็หลอดตอนนี้ก็ข้าหลอดไปออยู่ตรงนั้นมันก็มันก็ได้นะได้แบบที่คู่บ้านเขาทำเนี่ยพูดเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวนี้ไอ้จอดที่ผู้เนี่ยไอ้จอดที่ที่คู่บานผูดเนี่ยท่านเข้าไปสู่ค่การการเข้าสู่การดับดําเนีบย เขาเรียกอะไรล่ะเข้าไปสู่ความเข้าฌานแบบอ่าเข้าสู่ฌานแบบนี้เหรอน้องท่า <ๆ S 1> มขีขอขอขอถามว่ากันการทํำสมาธินี่มันดีจริงเหรอมันมีวิปัสสนากรีเลสแทรกด้วยไม่ใช่หรอไม่อ่าที่จริงวิปัสสนาเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าไปฌานแบบนี้หรอกวิปัสสนาที่มันเจมเนี่ยมันแค่ปฐมฌาน ประชงใจว่าเริ่มต้นนิดๆเนี่ยสงบครั้งแรกนี่จะมีวิปัสสนามันไม่ได้เข้าลึกขนาดนั้นหรอกเห็นว่าถ้าหลงอยู่นั้นก็หมายถึงปันมันไม่ได้เข้าไปหลงอยู่ในนั้นมันจะไปหลงในนั้นได้ยังไงก็ไปสงบนิดๆอยู่นั้นไม่หลงหรอคะมันสงบคกนีก็เห็นท่านบอกว่าสงบอยู่นั่นจะลืมตัวลืมมันเลยอุ๊มันไม่ือก่นงหฮะยังเก่ง่เจ็วัน อย่ใน้ือเขาเรียกว่าสมาบัตเนี่ยเขาไปสูดตรงนี้ไม่เกินจ็วันมันจะไปฉันข้าวได้ยังไงมันไม่เจ็ร่างกายก็ไม่มีอีปล่าอะมันไม่มีร่างกายมันเจ็บได้ยังไงมันไม่มีสัญญามี่นงหรอคะนั้นนี่มันจะไปไม่มีได้ยังไงมันไม่มีมึงมันไม่รู้สึกเลยว่ามันมีตัวร่างกาย มันก็ต้องหายใจอยู่ไม่หายใจไม่เรียกว่าเข้าฌานถ้ามีสติก็เข้าไม่ได้ฌานอะไรเข้าหรอะฮ่าฮ่า่าก่าม่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นี่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่งฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่่าา่ ก้าพูดเลยใช่ไหมบอ่ใช่ไหมแตไมได้ก้ามีสติอยู่เข้าไม่ได้การเข้าฌานอาจจะการตสตินี้สติอยู่เนี้ยเจริญสติเนี่ยไม่เรียกว่าเข้าฌานเรียกว่าจเจริญฌานฮะหรือตรงฌานฮตรงฌานไม่ได้เข้าฌานนะจำไว้ หรือภาษาบาลีเรียกว่าลักคนโง่พญชาติคือการเจริญฌานคือรู้อยู่รู้อยู่ตามรู้ตามดูหรือเ้าเรียกว่ารู้ปัิสีตามรู้ตามดูแค่นั้นนะไม่ได้คิดนะรู้อาการตามรู้อาการในกายเนี่ยขอเข้ามาจัดาทานตัวนี้ที่ใช้พวกฤๅษใีใช่ไหมคะชาใช้ห่วงตาพึ่มจีชา ต, ตัวนี้คือพวกฤๅษีใช้กันใช่หมไม่ไม่ไม่ฤๅษีไม่ได้ใช้ชาตัวเนี้ย ยมสีเนี่ยฌานแท้ลักอ่ใช้อารมณ์บนโลปัญญาฌารคือยุสีมีเพ่งฌานดิเขาเรียกว่าเพ่งฌานนี่เป็นคำกลารแปลว่าเพ่งยุสีเนี่ยเขาเพ่งอารมณ์เดียวหรือเรียกว่าเพ่งกัสิ ง, งอ่าแล้วทำไมเขาห่อได้ล่ะคะเพ่งอะ่ะกูก็ไม่รู้ว่าเขาห่อทำยางไงมึงเคยเห็นละขอเล่ามาไม่กูชอบมึตงตรงนี้เขาเล่ามาเลยมึงก็เชื่อเลย นี่แหละกูัวราะว่ามึงใจดีเกินไปอะไง<อ>เขาเล่ามามึงไม่เคยเป็นมึงก็เชื่อนะนี่แหละคือความเจ้าพระอัลลหันยัง เ, เชื่อเลยค่ะฮะเขาเขาบอกว่ามีพระอรหรันยังเชื่อเนี่ย<อ>มีไหมวะมี <laughs> แต่เนี่นมึงรู้ได้ไงว่ามีน่าใช่ไหมนี่แหละคือความสิดพาดของของคนเชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเห็นใช่นี่แหละ มันถึงเร<ง>ื่องความเชื่ <c oughs> อธรรมดาเดียร์นเพราะเร่างนี้ล่ะเพราะความเชื่อนี่แหละเพราะเพาฉะนั้นความเชื่อกับพูดจริงๆเนี่ยมันเป็นความง่วมงานธรรมชาติเพราะท่านถึงไม่ตำหนิใครเพราะท่านเคารพความเชื่อท่านรู้จักความเชื่อของคนท <c oughs> ่านถึงไม่เสียงเขาความเชื่อเนี่ยฮะตกลงมันดีไหมความเชื่อดีดีความเชื่อถ้าเชื่อแบบว่าถ้า ถ้าเชื่อแบบแบบนั้นมันก็เชื่อว่ามันดีมันถึงทำไงจริงไหมถ้าไม่ดีเขาก็ไม่ทำเหมือนพวกเชื่อว่ากินเหล้ามันดีนี่ที่เขาจิบเหล้าอยู่ก็เพราะเขาเชื่อว่ากินเหล้ามันดีจริงไหมเขาเชื่อว่าเล่นการพนันติมาเขาไม่ทําอะไรก็ชวนไปเล่นการพนันแต่เขาก็ว่าดีจริงไหมถ้าไม่ดีอะเขารู้สึกแลวว่าไม่ดีเขาก็ไม่ทำหรอกเพราะฉะนั้นเขาทป็คนถึงมีสินเชื่ออ่ะ แม้แต่พระพุเจ้าอยู่สมัยพุทธกาลก็มีหลากหลายความเชื่อนี้มากมา ย, ยพวกพวกอะพวกพรเจ้าก็อยู่ไม่เคยตำหนิใครเห็น ไ, ไหมเห็น ไ, ไหมแต่ช่วงวันนี้ที่มันวุ่นวายเพราะว่ า, วามันเอาความเชื่อของตัวเองอะไปเชื่อว่าคนเชื่อแบบนี้ผิดแบบนี้ถูกนะพะพุทธเจ้าก็ไม่เคยไปว่า้ถที่อื่นนะ เพราะวันนี้เราก็พยายามใช้วาทกรรมว่าศาสนานั้นมีทําให้ศาสนาพุทเสื่อมอย่างเงี้ยนะเราต้องรักษาศาสนานี่คือความผิดพลาดชนหนึ่งอา่าวให้รักษาแล้วจะทำยังไงอ่าการรักษาที่จริงเนี่ยนะที่ถูกต้องที่จริงคือนําเอาพระธรรมคาสอนมาปฏิบัตินะอ่าในเมื่อมันมีคนปฏิบัติเข้าถึงพระธรรมคําสอนท่านนไม่มีทางที่จะรักษาได้ ว่าคนปฏิบัติมันไม่ไม้ปฏิบัติเออเพราะอย่างนี้แหละมันถึงเสื่อมนะเข้าใจไหมเพราะฉนั้นต้อพุทธเจ้าก็พูดไว้ว่าศา ส, สนาพุทธเราจะเสื่อมเนี่ยพุทธศาสนาจะเสื่อมไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาอื่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจินว่ า, ากาดนะศา ส, สนาเสื่อมเพราะศัทราไปรู้ปฏิรูปคำว่าศัตราปฏิรูปหมายถึง อ, อ๋อมันไม่ปฏิบัติเข้าถึงนี่แหละมั น, ม, นมันก็เลยเอาความเห็นตัวเองไปสอนกัน เห็นไหมอ่าพระเจ้ามันไม่ใช่เข้าไปถึงธรรมแล้วมันเอาธรรมมาสอนเนี่ยอย่างเหนไหมเขาเรียกเอาสัญญามาสอนนั่นแหละมันถึงเสื่อมเพราะเต็มไปด้วยความสงสัยเข้าใจไหมว่าความสงสัยเป็นบอกเตือนของความรู้ไม่ใช่หรออ่ามันก็เพราะสงสัยนี่แหละจริงไหมแต่มันสงสัยไปทั่ว เอาไปเอามามันก็ได้ตายไปกับความสงสัยมันตายพร้อมกันเลยเก <c oughs> ท่นหน้ากับสงสัยไปอกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเพราะความสงสัยนี่แหละถึงเกิดปัญญาถ้ามึงเห็นความสงสัยเห็นโทษของความสงสัยถึงเกิดปัญญานนเข้ญญาใจไหมไม่ใช่เอาความสงสัยไปแก้กความสงสัย <c oughs> มันจะต้องใช้อย่างนั้นไม่ได้เหรอคะถ้าเหมือนเหมือนเหมือนหลวงตาไปยพูดว่า หยุดคิดจริงไหมใช่ที่รู้ที่หยุดคิดเนี่ยอะหคิดจึงรู้ใช่ไหที่รู้ก็มาใส่ความคิดจริงไหมเพราะว่าทำไมหยุดคิดจึงรู้ที่รี้ก็มาใส่ความคิดไม่ใช่ว่าไปคิดนะอาศัยความคิดเพื่อมันคิดขึ้นมาเรารู้ก็าตามรู้ตามดูเพนั้นไม่ใช่เราคิดต้องอาศัยมันให้มันคิดมามากๆเราก็จะเห็นมันบ่อยๆไง เข้าใจไหมไม่ใช่เป็นคิดนะให้มึงคิดมานิมนต์มึงคิดเลยกูจะนั่งดูมึงใช่ไนี้ย่างี้รู้ว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดน่ยมันจะแยกตัวออกเมื่อก่อนเราเป็นเราคิดไงตอนเนี้ยเห็นไหมเราไปอยู่ในความคิดเห็นไหมเราเชื่อว่าเราคิดไงแต่ถ้านั่นดูมากๆมันจะแยกออก เป็นความคิกจะเป็นผู้ถูกรู้อ่าแต่ตัวผู้รู้เนี่ยก็คือตัวสติฮะเห็นไหมจะเป็นความคิดจะเป็นสังขารเป็นผู้ถูกรู้คือเป็นขันธ์แยกออกจากกาันมันจะเริ่มแยกขันธ์ออกมาอะแยกเมื่อวันียร์เนี้ยนะไมันจะไปจับแยกไอ้กองกินกองเหมือนเขาว่านะอ่าไม่ใช่เนี่ยเนื้อหมูอะแยกหนึ่งมันไม่ได้ไปเจตนาแยกคือตามรู้เฉยๆนะ ทำไวมที่เรีใช้เนี่ยมุกี้ย้อนับมาที่เรีใช้เ้าเรียกว่าโลกียฌานใช่ไหมก็คืออ่าในเท่งกับสินเนี่ยแหละหรือเรียกว่าอ่าลาัมมณูพนะฌานเท่งอารมณ์อยอะสมมุติว่าเราเท่งไฟก็เพื่อเพื่อให้มันไปนอยู่กับไฟอการเท่งไฟเนี่ย ยังเห็นไฟอยู่กับผู้รู้อยู่อันนั้นยังยังไม่ใช่ยังไม่ประสบผลสาเรนะ็จนะการเท่งไฟเนี่ยจนไฟกับผู้เท่นงนี่เป็นอันเดียวกันถึงเรียกว่ารวมหรือเข้าฌานนะนะจำไว้อันนั้นแหละเขาเรียกเข้าฌานรวมจนเป็นอันเดียวง้ า, าย ไ, มไฟมันก็ร้อนสิ จากการเพ่งเนี่ยไม่ใช่มันมึงเอาหัวมุดเข้าไปเนี่ยเข้าใจไหมเหมือนกับสิ่น้ํางเงี้ยก็เพ่งน้ํานั้นมันก็จมน้ําตายสิคือเราเพ่งแค่ใช้เราเอาน้ำเนี่ยเอาเสียงน้ําเอาอะไรอ่ะเป็นอารมณ์แค่ใช้ให้มันมาเป็นอารมณ์เดียวให้มันรวมกันเข้าใจไหมนั่นเรียกว่าเข้าฌานนะเข้าใจไหมเหมือนเราเพ่งว่าไฟเนี้ย เท่ใส่เรารวมกับหลอดไฟเป็นอันเดียวกันผู้ผู้ดูกับผู้เนี่ยถึงเรียกว่ารวมถึเรียกว่าเข้าฌานถ้ายังมีผู้รู้ผู้ดูอยู่ยังกับปกติอยู่จะไม่เข้าอาแบบนั้นไม่ประสบผลสาเ ร, ร็จนอะเข้าใจไหมอันนี้พระพุทธเจ้าทํามาก่อนทุกอย่างนะจะไม่ได้จักรโลหิตไหมไปอยู่อาจารย์ทั้งหกเดียจะไม่มีอะไรจะสอนจริงไหมแต่ดับอารมณ์พวกนี้ไม่ได้ที่เรียกว่าหินทับยาวก็คือเข้าฌานนี่แ พอเข้าไปแล้วออกมาก็เหมือนเดิมเหมือนเรานอนหลับตื่นมามันก็คิดเหมือนเดิมปกตินั่นแหละเรียกว่าโลกี้กรชานมันเหมือนนิพพาสโนกิเลสไหคะอ่าข้าเข้าไปตัวนี้นะมันก็จะหลงอ่าหลงเพราะว่าเข้าไปตัวนี้ยมันจะเห็นแจ้งหลายเรื่องสิ่งที่มนุษย์ไม่เห็นเข้าใจไหมนั่นแหละมันจะไปหลงลึกเอาสิ่งที่มันเห็นนะว่าเป็นธรรมะมันจะกลายเป็นผู้วิเศษวิโสไป อาจารย์ฮะเทวดาที่เห็นเทวดามีเทวดาจริงไหมเขาเขาพูดเขาเห็นเขาว่ามีจริงมีจริงฉน ก, ก็เชื่อว่ามี น, น่นแหละแต่ผู้ไม่เห็นก็ไม่เชื่อจริงนะก็อย่างกรณีที่ว่าคนทําไม่ดีแล้ตายไปแล้วเป็นเปรต่จริงไหมคะอือ่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวนั่งอยู่เนี้นยเคใส่บาตรบ้างไหมเนะี่ยนั่งอยู่เนี้ยฮะ เคยหมดทุกคนใช่ไหมเคยทำบุญใช่ไหมค่ะพวกนี้อยากเป็นเปดก็ไม่ได้เป็นจริงเหรอคะจริงร้านหดเลยก็อยากได้ของของจากพระอยู่ฮะอ่าอยากได้อยู่แต่ว่ายังทานอยู่นี่ไม่เป็นเปดรตจาไว้ยังให้ทานอยู่นี่รับรองว่าไม่เป็นเปรตเปรตสไม่มีทางให้ทานนี่จะอยากได้เพราะว่าการเป็นเปดตเนี่ยไม่ใช่ตายแล้วจะไปเป็นมันเป็นแต่ยังไม่ตาย จิตเป็นเป็ดแต่ยังไม่ตายฮะอุปนิชย์ยาปัจโยนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยฮะอ่ามันเพเป็นพระพุทธเจ้ามันเป็นตอนยังไม่ตายนะไม่ใช่ตายแล้วเป็นพระพุทธเจ้านะเป็นเป็ดเป็นผีเป็นใช้วาลามันเป็นตอนไม่ตายม่ต้องไปดูหรอกดูหัวใจตัวเองตอนนี้นิสัยมึงเหมือนยังไงนิสัยเหมือนควายมันเป็นควายอะ น่ากินน่ะนิสัยมันหมาก็เป็นหม า, าทุกวันนี้มันกลายเป็นสัตว์มาคอยดูตายไปก็เป็นสัตว์ก็จบมาลกมาเห็นไหดูปัจจุบันนี้แหละนี่แหละเหตุนี่แหละคืออ่ะอ่ะดูเหตุตรงนี้เหตุปัจจัยเห ต, ตนี่มึงสร้างอยู่เนะนี่ยนิสัยยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละสันดานยังไงก็ชะตากรรมอย่างนั้นแหละมึงไม่ต้องไปดูตอนตายเนะ เพราะฉะนั ja ้นหลวงตาถึงมั่นใจว่าคนให้ทานอยู่ไม่เป็นเปรตเพราะว่าเปรตเนี่ยมันเป็นในปัจจุบันถ้าจิตยังเป็นให้อยู่น่ยมันจะไม่เป็นเปรตเด็ดขาดเปรตเนี่ไม่มีทางให้ใครเหวี่ยงอยู่ตลอดเวลาจิตอย่งนี้จะอยกได้คือคนโลภนี่นหละโลภะนี่แหละเป็นเปรตเข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นอยากเป็นก็ไม่ได้เป็นถ้าอยากให้ทานไปวัดหาหลวงตาเวลาไปทําบุญอ่ะ เอาไปกินตัวเดียวค่กับกับอันนั้นไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นงั้นพระพระอยู่วัดก็เป็นเปรตหมดจำไว้น่าคนที่เป็นเปรตเปรตที่เยอะยิ่ที่เป็นเปรตเยอะที่สุดสุภาที่นักบวชจาไว้ถ้าไม่เป็นเปรตเยอะที่สุดนักบวชทำไมถึงเป็นพระเป็นเาเพราะไปยึดเอาของจะอยากได้ไงไม่เคยทานหรอกมิจจะสอนคนอื่นทานจาไว้วงไม่กระทั่งผู้สังฆทานพระเนี่ยลองไปขอจ้างพระสิ ที่บอกให้เขาทำบุญเยอะๆเนี่ยมึงลองไปขอมันสักเมื่อนดีมาให้หรอกจาไว้บางคนไอกว่ไม่มีที่นั่งแล้วมึงในกุฏิมันอ่ะมี่จะขอมที่ท่องมาทิ้งแล้วมันก็ไปยึดเอาอ่เจ้าวาดบางบางวัดนะมึงเชื่อไหมกาแฟจนแข็งมันไม่ยอมให้ใครกินหรอกจนเสีย ก็ไม่ไเป็นทุกองค์้วพูดถึงนั่นแะเปรตมไม่จะอยากได้ไมันจะสอนคนอื่นมนจะหลอกเอาของเขาอะนั่นะเปรตเพราะ น, นั้นขาฉันตกนรกเยอะเพราะนักบวชเนี่ยเหมือนเวื่เมื่อวาเนี่ยเขาเอาซองแนละ้วมันเขียนหน้าซองว่าใช้นิสงนสงําระนิสสงลุงจาก็เลยถามว่ามึงเป็นนิสสงแตเมื่อไหร่ เราจะเห็นบ่อยๆในตู้บริจาคว่าชำระหนี้สงอันนี้เป็นวา ก, กรรมที่ธรรมหาสิ่งกันถ้าหลวงตาณ์นะอันนี้เป็นความขนส่วนตัวนะหลวงกาว่ามีจะ่สงนี่แหละเป็นนีิพระเป็นนโยมเพราะสงไม่เคยทําอะไรเลยจริงไหมการให้ทานเนี่ยมีแต่โยมเานั้นเองพระไม่เคยให้ทานหรอกแตยมากมีแต่คนคนคนที่อายุเยอะๆก็บอกว่าไอ้ชำะหนี้สงหน่อยเอ น, นี่ย พอเดินภข้าวานี่ไปเหยียบดินออกจากวัดโอ้โหงั้นก็เป็นนี่เยอะเลยถ้าอยู่วัดก็เป็นนี่เยอะเลยฮะนะท่าอยู่วัดนี่ก็เป็นคนเหยียบออกมาเหมือนกันนะคนคนนะค น, ค น, ค, นคนอายุ ก, ก่อนๆเขาไร่กันเพราะงั้นแหละเพราะว่ามันเป็นเล่าสืบกันมามันเป็นประเพณีไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงฮนะเพราะฉะนั้นสงเนี่แหละควรจะควรจะมี อ, อ่าอ่าเขาเรียกอะไรความตะกันอยู่ รง้ไหมทําไมถึงว่ามีความกระจนอยู่เพราะผ้าเนี่ยอาศัยชาวบ้านจริงไหมอาศัยชาวบ้านเขาเลี้ยงขี้จริงไหมแล้วมันจะเป็นนี่ได้ไงโยมจะเป็นนี้สงได้ไงจริงไหมสงนี่แหละอาศัยชาวบ้านเลี้ยงขีอ่าสงนี่แหละจะเป็นนี่โยมถ้าไม่ปฏิบัติเท่าถึงการกระจนอยู่ของสงเนี่ยของผ้าเนี่ ย, ยที่มาบวชคือปฏิบัติเมื่อถึงทมแล้ว เอาทำเอาผลนั่นมาสั่งสอนโยมมามอกโยมนั่นแ่ะคือการําระนิยมงั้นก็แสดงว่าพขาก็เป็นนิยมสิครัใช่มึงไปควงเลยไปควงเลยนะอยู่ไลไปเลยเอามาลุงพ่อบอกว่าไงลุงตาบอกเพราะฉะนั้นมันไม่ไดมีใครเป็นนี้มหรอกมูอยู่แก่ใจจริงไหมว่าจด ใ้ตัวเองเนี่ยเป็นยังไงลองดูดีดีรูหัวใจตรงนี้ดีดีฮะว่าเป็นอะไรอยู่ไม่ต้องไปถามหรอกนะถ้ามันทุกข์อยู่ไม่ต้องถามมหาสวรรค์หรอกถูกไหมล่ะนะสกุลเทวันมีกี่ชั้นคะหลวงอาเขาว่ามีหกก็หกกับเขาซช่ <c oughs> <c oughs> ไ, ได้ยินในละครอ 27, ว่ามีสวรรค์เชั้นฮ้ยชอบเจ็ดชั้นที่เ็ษของมึงไป <c oughs> เป็นชั้นที่เศษที่จริงสวรรค์นี่เหอ๋อฮะอ้าวก็จะลก 4, ูกสี่เห็นไหมลูกมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกเป็นสิบเอ็ดจริงไหมและรูปประพรศ์สิบหกอรูประพรศ์สี่ก็เป็นยี่สิบเอ็ดนั่นแหละสามสิบเอ็ดอเป็นยี่สิบแล้วก็สาคสิบเอ็ดพนไหม ใมันจะมันจะเกินมาจากไหนล่ะคี่ที่เ็ฮะอันนั้นเป็นเขาพูดเฉยๆหรอสวรรค์ชั้นเจ็ดมึงอย่าไปเลยสวรรค์ชั้นเจ็ดมันไม่มีเน็ตสวรรค์ชั้นเจ็ดไม่มีเน็ตกูก็ไม่ไปเพราะไม่มีติ๊กตอบดูฮะ มันมีแค่หกชั้นจะไปได้ยังไงจริงไหมล่นะที่หลักการของศาสน า, าพุทธท่านพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์จริงไหมพูดถึงเรื่องพรหมเรื่องอะไรสามสิเอ็ดพรมท่านไม่ใช่ว่าอยากให้ไปเกิดนะท่านพูดให้เรียนรู้เรื่องพวกพวกนี้เห็นโทษของการเกิดเพราะนั้นศาสนาพุทธไม่สอนให้ขึ้นสวรรค์นะนะเาเราไม่ให้ขึ้นสวรรค์เราเป็นไงล่ะ ให้พ้นออกจากสวรรค์ไง่ย้พ้นออกจากภพไงก็เห็นบอกว่าทำพันธ์มีจะได้ขึ้นสวรรค์อ่าใครล่ะก็ก็คนเขาเล่ามานั่นแหละมันไม่ใช่ศาสนาพุทธเพราะพระเจ้ามีศาสนาเดียวนะที่สอนให้ไปถึงนิพพานให้ซึ่งอย่างการเกิดจริงไหมถ้าขึ้สนสวรรค์เนี่ยมันไม่ใช่แตศาสนาพุทธศาสนาอื่นเขาก็มีนะ เพราะันจุดเย็นของศาสน า, าพุทเนี่ยไม่ได้สอนกันให้เคลื่อนเคลื่อนไปสวรรค์จริงไหมถ้ามึงสอนให้ไปพบสวรรค์น ะ, นะเดี๋ยวเดี๋ยวก็สอนไปที่พบนรกก็ได้เห็นไหมท่านก็บอกนรกเห็นไหมสวรรค์อย่างเงี้ยท่านให้เรียนรู้จนรู้แจ้งในการเกิดในทุกในการเกิดเพื่อจะทิ้งการเกิดดับของการเกิดสานี่คือความเดียร์เรียกว่านิพพาน พระศาสนาพุทธพุทธศาสนาจึงเป็นศินลปะเป็นพุทธสิ่งที่สอนให้ดับทุกข์เท่านั้นฮนะไม่ได้สอนเพื่อจะให้ไม่เกิดในสวรรค์ไปเกิดในนรกเลยแต่สอนให้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคือเหตุของทุกข์เข้าใจนะ <Okay. S 1> ในการวาดของศาสตรในการเรียนว่าใจเกิดในการเรียนวนอยู่อย่างนี้นะนะนี่คือ หลักการของศาสนาเรานะเห็นไหมเมื่อคืนนี้หลวงตาพูดถึงเรื่องนะวันนี้มีคนถามว่ า, าไปถามฤๅษีหนึง่งที่กำลังโ ด, ด่งดังอยู่ทำไมท่านถึงบวชเป็นฤๅษีฤๅษีคนคนนี้นะตอนนี้ก็บอกว่ า, าที่ไม่บวชพระก็เพราะว่าถ้าบวชพระแล้วมันไปอเอาเนหสารวิชาที่ตัวเองเรียนร่ำเรียนมาเนี่ย ใช้ไม่ได้เพราะวินัยมนันห้ามไว้เนี่ยเขาตอบได้ดีเห็นั้มเพราะนั้นสูเนี่ยไม่ใช่ศาสนาพุทธนะเป็นธรรมเห็นไหมมีเมียได้ม่ใช่เหรอพระหลวงตาฮะมีเมียได้่เหรอลูกถ้าแล้วแต่ถ้าก็มีเมียยด่นี่อาจีนะัดแต่งงานด้ว ย, ยญี่ปุ่นเนี่ยข้าญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามึงไปที่มพฑาญี่ปุ่นมึงต้องจ่าหน้าซองเลย ไปงานแต่งด้วยหรอนี่มนเจ้าวว่าพร้อมครอบครัวอีกทึ้นเขาจะงานจริงนะมึงเข้าไปดูได้เลยใน g o o ก l e ข้าญ่ปุ่นนี่เป็นเป็นของพุทธศาสนาป่ะเป็นนี่อีกนีกายนั่นไม่ใช่เชลว่าแสดงว่ามึงก็ยังไม่รู้เรื่องพุทธศาสนามากมายเลยโอถ้ารู้เราจะมาเรียนเหรอคะได้ มึงรู้ว่าศาสนาพุทธนิกายเฉยแล้วว่าเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยแยกออกมากี่นิกายอ๋อแยกของอะไรก็มีอ่าที่ทีทีทีทีขันมมหาวิการกับธรรมยุทธ์มึงรู้ไมว่าธรรมยุษ์ก็มีสองสายแยกออกมาอีกยังไงคะเห็นมเห็นไหมเนี่ยเนีนมึงมึงมึงยังไม่รู้เลยว่ามหาวิกายเนี่ยเป็นนิกายดั้งเดิมจริงไหม ธรรมยุทธ์พุ่งมาเกิดในประเทศไทยนี่แหละเรียกว่าธรรมยุทเนี่ยมากช่ไหมตั้งสำนักธรรมยุทขึ้นมาใช่ไหมนี่กายารธรรมยุทขึ้นมาแต่ธรรมยุทจะแยกมาเป็นสองสายเหมือนกันอไอ่ะคือธรรมยุทสายอารันวาสีกับคามาวาสีเห็นไหมสายคามาวาสีก็คือธรมรมยุทสายบ้านคามาแปลว่าบ้านอารันแปลว่าป่าสายอารันวาสีคือสายหลวงปู่มัน่น เห็นไหมคือเูอเรียกว่าสายปฏิบัติเห็นไหมนี่สองนะอ่าเพราะว่าธรรมเนียตสายลุงกุมาเนี่ยจะไม่ได้เรียนไม่เรียนหนังสือไม่เรียนนะักธรรนะมไม่เรียนอะไรนะอ่าเขาเรียกสายอา ร, รันวาสีสายปฏิบัติถ้าสายธรรมาวาสีนี่เขาเรียกสายวิปัสส์อ้ อ, อะไรคันถาดุ่ละเห็นไหมอ่าขันธาดุ่ละถ้าสาย น้องู้ม่นสายอะไรเรียกว่าสายวิปัชนากุระเห็นไหมมันก็แยกออกมานะคือสายธรร ม, มยุดเนี่ยสายเาจาา้าคณะตำบลเจ้าคณะเห็นไหมอ่าพวกพวกนี้ก็เขาเรียกว่าสายคามาวาสีก็กินค่สองมือก็ได้อ้าอเหมือนบ้านเนี่ยแหละนะนะกินมือเดียวก็ได้ ดีไม่ดีบางวัดทักเข้าไปสี่ก็มีจริงจระก็แล้วแจกนะแล้วแอะไรมีจริงจริงะเพราะถ้ากินสีมือนี่ะไม่ผิดยังไงวะเากินเขาก็หวงไม่ผิดนะจริงไหมอ้าวนี่คำถามไหมตอนนี้นึกไม่ออก นี mm ่คนรู้ไหมเนี่ยนี่เราพูดถึงเรื่องศาสนาเลยนะนี่บางทีก็ไม่รู้เลยนะไหนบอกว่าเป็นคนของศาสนาพุทธฮะมันก็พุทธใจในะรเองบัตรชอเองนะค่ะในสสะเป็นพุทธเนาะแต่เขายังไม่ถึงเพราะว่า พวกเราเนี่ยเขาใจผิดคิดว่าอ่าชื่อไหมเริ่มต้นจากาพระพุทธเจ้าจากักรโลเนี่ยก็เรียกว่าพุทธศาสนาจริงไหมเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าเขาเป็นพรามนะเห็นไหมเพระเาะฉะนั้นพุทธกับพรามเนี่ยเหมือนไก่กับไข่หลงตาอุบมาจริงไหมอ่าหมนี่ก็เหมือนไข่พุทธนี่ก็เหมือนไก่เห็นไหม เพราะว่าพระเจ้าก็เป็นพุทธเขาเป็นพรามแล้วก็ตัดสิรู้แล้วก็เป็นพุทตอนนี้มันกำลังจะกลับไปเป็นไข่เองตอนนี้เขามีการจุดธูปจุดเ ท, ท, ท, ทียนบวงสรวงเห็นไหเป็นพรามหมดพิชิตกรรมเห็นไห ม, ไหมอ่าพระเจ้าตอนนี้พระก็กลายเป็นอ่าเจ้าพิวิตจอมเป็นหมอผีก็นีป่าผีก็นีตอนนี้พระกลายเป็นหมอผีหมอดูหมออะไรก็ไม่รู้หมอรักษาคนรักษาโลก ไปแล้วทีนี้เห็นไหมกลายเป็นพรามณโดยไม่รู้สึกตัวบางวัดถึงขั้นสร้างพระพิฆเนศฮะสร้างอะไรนะอ่าเอายักษ์เอาอะไรมากราบมาไหว้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนเริ่ม เ, ม เ, มเ่มแล้วอันนี้เขาเรียกไม่ใช่เข้าถึงวัฒนาใจไม่ใช่ศาสนาพุทธนะแวัฒนาใจคือหลวงตาพูดว่าต้องเขา้าเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ไม่ได้เอาพวกนั้นเป็นทีึ่ง น, นะตอนนี้มันเอาอะไรเราเป็นปที่พึ่งมึงดูดีๆน ะ, ะว่าตัวเองเนี่ยมันพังบนอยู่พุทังศาลางกชามิสมังศาลางกชามีสังขังนงกชามีเห็นไหมแล้วมันจะให้เป็นสิ่งได้ยังไงฮะในเมื่อตัวเองก็ไปทางนั้นอยู่ฮะ มันตงหายที่ผู้หญิงบลงดาวเพราะว่ากลัวะบางทีนมุมของของาบ้านที่ต้องาหารกินบางเาก็อยากจะให้เศรษฐกิจดีมากหรือว่าตะเลีั้ อ, องขอทวเฮ้ยต้องไปร้องขอที่รัฐบาลฮ <c oughs> ะงั้นกระ ช, ช่วงต่างกระชงเศรษฐกิจเขาก็ไปเอาพวกสิท น, นี่นะเป็น ใช่ไหมเอาประหลัดขิกเอาอะไรนี่แหละไปไว้ขัดขวงฮะผมไม่มีรัฐมนตรีละมั้งฮะทำไมอะแง่มึงพูดอย่างนี้นมึงหายิงเขาการเมืองอีกอะฮะฮบางคนถ้าจะป่วยแล้วก็ป่วยนไปโรงพยาบาลฮะ ไปป่วยก็ไปโรงพยาบาลแล้วใครไม่ป่วยมากขนาดหลวงพ่อองค์ที่เสียเคราะหสลอกค่อยเขาก็ยังป่วยอยู่เอาชีนี่พระอยู่วัดใกล้วัดกูนะนะไปหาเขาโรงพยาบาลแต่แกก็สะลอกเคอให้คนผูกให้เขาหายป่วยฮะทําไมไม่สะลอกค่อ้ตัวเองอ่ะฮะจริงไหมหจำไวน้นะการป่วยเนี่ยมันเป็นโรคจริงไหมโรคทางกายจริงไหม มันเกี่ยวกับโรคทางใจใครไม่ปม่วยม้างแม้แต่วุฒิเจ้าก็ป่วยฮะฮะอ๋อครับถ้ามันมีสิ่งเหล่านั้นช่วยเราได้แล้วกดแห่งกรรมมันจะใช้ได้ไม็นั่นแหละไม่ไม่กดแห่งกรรมเพราะเพราะเพราะว่าการป่วยมันก็เป็นกรรมเข้าใจไหมคนเป็นโรคนั้นก็เหมือนกันเช่ไมเอ้าทำไมบางคนเป็นมะเร็งบางคนก็เป็นรน่นเป็นนี่ใช่ไหม ถ้ามันเป็นโรคมนันก็จะเป็นเหมือนกันสิเข้าใจไหมโรคมัเนเป็นกฎแห่งกรรเหมือนเป็นโควิดนี่ก็เหมือนกันมันจะเป็นทุกคนนะัอ้องอยู่ร่วมกันเนี่ยฮะจริงไหมข้าว่าโควิดเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าพีหมันกับสงการหรอกตายเยอะกว่าจริงไหม ก็คนมันกลัวทุกอย่างมันเชือ่อใจเขาลบน้าผิวพวกนั้นมันไม่ยอมรักไงมันไม่เชื่อเรื่องเขากังไงฮะเข้าใจไหมอ่าอย่างกูกูไม่กลัวโควิดโอเคอกูไม่เฉิดด้วยยานะเพราะกูไม่กลัวกูจะไปเีิดทำไมกูกลัวเข็งมากกับโควิด กูไม่เป็นนะเห็นไหมเาเป็นทั้งทั้งวัดกูก็เป็นนะวันี่ยในวัดงาเนี่ยต้องไม่ชีพวกแม้แต่ใกใ ก, ก็เป็นนะมีูคนเดียวที่ไม่เป็นกับคุณบาฉ่าเมื่อกี้เนี่ยอะแล้วก็หลายคนอยู่ไม่เป็นเพราะอะไรกูไม่ตรวจไ <laughs> งวงตาครับ อคุณขุณนพลปฏิบัติธรรมแล้วอยากจะเทศอยากแสดงธรรมให้คนอื่นฟังจะได้ให้เขารู้เหมือนเราอาการแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรและแก้อย่างไรครับโอนี่เขาเรียกว่าอผู้ชนละชันนักป่าหรือวิปัสสนูนั่นแหละน ะ, ะตัวนี้แก้ยากเพราะมันรู้หนำหน้ารู้ละเอียดรู้ลึกซึ้งเหมือนกันนะอยากให้คนอื่นดีอยากให้บ้านดีเมืองดีอะ เมื่อเขาไม่ฟังเ่ยนะก็เริ่มโมโหแลยนะ <c oughs> จริงหัวร้อนนะ้อหลวงตาเนาะหัวร้อนตอนแรกเนี่ยตอนแรกก็จะว่างได้อยู่นะเพราะว่ากําลังของของชาญยังยังมีส่งผลอยู่เพราะว่าเขาเรียกปฐมปฐมเรียกว่าเบื้องต้นของการเขาไปสู่ความว่างใหม่ๆจะมีทำผุดขึ้นมาอัศการมากบางองค์เนี่ยแม่ที่ลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยอ๋อุ้ยทาผุดขึ้นมากลัวลืงไง ซื้อสมุดซื้ออะไรมาปากกามาันจดไว้จดไว้จนเต็มกุติกนะแล้วก็อยากสอนโอ้ยเขาไปเก็บเห็ดเรื่องมาอนมาฟังคำคนจริ ง, น, <c ười> งนะยังไม่ไดไปเก่งเหตุนั่นแหละขนาดเขามาสับหน่อไม้ยังฟังใจมาฟังคําก่อนคือมันอยากบอกมันอยากพูดเหน็นไหกีต้าห์เห็นไหม <c ười> เหมือนเหมือนกับมีบางคนเนี่ยมาหาหลวงตาเนี่ยนะมา เขามาถามเนี่ยมาสนทนาธรรมเนีย่ยมาถามเขาว่าเขามารู้ธรรมเป็นพระอรหันแล้วฮะหลวจาก็ฟังเขาน ะ, ะแล้วมึงมาถามกูทาไมเนี่ยมื่อมึบ ง, มบงบันมึงเป็นพระอรหันแล้วฮะจริงไหมนี่แหละเขาเรียกวิปัทโนนะถ้ามึงเข้าถึงตรงนั้นแล้วมึงอยากสอนคนทาไมอะมึงก็เรเรื่องกรรมแล้วจริงไหมอถ้าไม่มี มันไม่มีบังเอิญนะมึงเชื่อไหมมีการละครหนึ่งเนี่ยถ้าอานนท์เนี่ยจะเห็นผู้หญิ ง, งานางหนึ่งที่อยู่ริมถนนนะถ้าอานนท์มีความเมตตาก็อยากให้พู้เจ้าไปโปรดผู้หญิ ง, งานางนั้นพอผู้เจ้าเขพูดว่าอานนเราไม่มีเหตุกับนี่กับเจ้ากับผู้หญิงคนนั้นพ้าอานนท์ก็กราบทูลขอสามครั้งพระองค์ก็เลยไปหาผู้หญิงคนนั้น นะทำไมพระพระพุทธเจ้าถึงไม่ไปหาผู้หญิงคนนั้นตั้งแต่ต้นเพราะพระองค์รู้ว่าไม่เป็นเพราะเห็นเพาปัจจัยอ่าเราไม่มีเห็นนี้ระจจัยกับผู้หญิงคนนั้นพระองค์พูดอย่างเนี้ยถ้ามันก็เล้งเพราะว่าเป็นพระโสดาบันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไปหาหญิงคนนั้นพระพุทธเจ้าก็ไปหาผู้พรานางก็หันหน้านีพระพุเจ้าก็เดินไปหันหน้านางก็หันหน้านีไปสักที่อื่พระพุทธเจ้าแยกออกมาเป็นสี่ร่าง ทั้งสีิ้ว้านางก็ปิดหน้าฮะถ้ามนไม่รู้นี่จริงไหมแต่พระ อ, องค์รู้พระพุทธเจ้ารู้นั่นแหละหมายถึงแสดงว่ามึงอ่าไปสอมนมาเลยมันมาให้มึงเองเพราะมันมันเป็นบริวารของมึงเข้าใจไหมมันไม่มีอะไรบังเอิญ น, น, น่งเยงเหมืนอนลงตามาอยู่ที่เนี้ยกับมึงนี่รู้นจะบังเอิญเลย ว่ากรรมกันจะเชื่อเงนมา้านแล้วกาไี้ละฮะนี่หละคันบอกว่านี่แหละกรรมมึงลงตาเนี่ยอยู่ดีๆกูตั้งกวนนนะฮะแล้วูที่นั้นมันมีคนให้กูพูดหรือไงให้กูสอนหรือไงกูทไมต้องมาถึานบุรีขับ้วมาสอนมึงเหรอฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นกรรมมันเป็นวิบากของกูฮะ มันไม่ได้บังเอิญเลยที่มันหั่งอยู่เนี่ยว่าพวกเรานั่งกันมาเยอะแล้วค่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นคือกูเกิดขึ้นมาเนี่ยพวกนีมึงเกิด ข, ขึ้นมาในพวกเนี้ยฮะจริงไหมถ้ากูเข้าไปถึงทำตุ๊กเนี่ยไม่ใช่กนะูหมดกรรมนะหมดกรรมอาจจะเป็นหม ด, หมดกรรมทางจิตถ้ า, านะกูาเป็นผ้าหลานนะสมมดถ้ากูเป็นเ พอกูเป็นเนี่ยปุ๊บเนี่ยอ่ากูจะไม่กลับมาอีกช่ไหแล้วบริวารกูเนี่ยที่กูเสียยุ่งเขามาหลายพบหลายชาติเข้าใจไหมมันตึ้นเหตุผลที่เราก็ต้องปฏิเสธไม่ได้อะว่าเราสร้างอะไรไว้มัมนจะมาใหญ่มากกูจะไม่มีเวลาหลับนอนเลยเพราะคนจะเกิดตักชากูคนที่มาตักชากูไม่ใช่บังเอิญนะ รู <c oughs> ้่ักไหมขนาดพระเจ้ายังอยู่ก็ยังมีลูกศิษย์ภาษาริาารบุตรลูกศิษย์พระเีเห็นไหมทำไมมันไม่ไม่เป็นลูกศิษย์ของพรธเจ้าเพราะมันใื่บริวารของท่านเข้าใจไหมล่ะทีนี้มันพระเจ้าไปโผดนงานงานันนางก็ไม่เอาท่านรู้ตัวนี้แล้วท่าจะไปถอนคนทาไมฮะเข้าใจไหมถ้าเป็นเป็นบริวารของกูเนี่ยฮะอยู่เอ้ย มองยังไงกูก็หล่อจริงรืง่อยๆไปหมดอ่าถ้ามันไม่จะเปบริวารกันกูพูดยังไงเนี่ยมันก็ปีอาคาติทับกูทุกทแบบมึงเชื่อไหมเมื่อก่อนกูพูดใหม่ๆเมื่อเจ็ปีก่อน่ะเฮ้ยไม่ใช่ไหมสามปีสิสองสองสามปีเนาะกูกูเพิ่งออกมาพูดสามปีนะี่นะกูพูดเนี่ยมึงเชื่อไหมว่าคนเข้ามาจากู่ก้าสิบ้า ใช่มาสาคูมีสองประเทนี่ที่เคยมีสามประเทศนี่外国ประเทศกูลงทั้งลงทุกวันนี้เขาเรียกว่าทัวลง<ส>เข้าใจไหมพอไปพูดครั้งที่สองที่สามนานเข้าไปเดือนเดียวเนี่ยอ่าพวกด่านี่ลดลงลดลงพวกสาคูนี่เพิ่มขึ้นพอปีที่สี่เนี่ยเอาปีที่สองเริ่มเหลือลดลงลดลงเหลืออยู่เปอร์เซนเดียว ไอ้พวกดาหรืออยู่คนเดียวอาชีพมันมาด่าก SO e ูกไจะบังเอิญนะมันด่ากูมานานมนกนมัน <cake> ก็จะตามด่ากูอย่างเงี้ยเหมือนกูจะเจ้าเลยะเพราะงั้นมันไม่มีอะไรบังเอิญอยู่นั่นแหละท่านถึงไม่เป็นวิบัติโน่ถ้าเป็นวิบัติโนเนี่ยเห็นใครก็อยากสอนไม่ได้แก้นเมื่อกี้กลับมาว่าแกอย่างไไม่ต้องแก้ เราหยุดหยุดซะถ้ามันอยากสอนเนี่ยดูมันให้มันตายซะนั่นคือทางแก้อย่าไปพูดฮะโอจะตายเลยจมึงพูดว่าอัดอั้นกว่ามันจะตายอลไรย่าเง้ยก็เบิรดเลยจริงๆถ้ามึงทนผ่านไปได้เนี่ยมีรู้สึกกูคนนั้นทําไมมันเลิกกูบอกดูลมดูลมดูลมมึงอย่าไปสนใจคาที่พุ่ขึ้นมาเอาไปเผาทิ้งทึ้งมึงจดไว้ อ่ะเขาก็ไปเผาทิ้งเออมาดูลมดูลมนะทีหนึ่งสองปีก็หายเห็นไหมตัวนั้นหายไปทีนี้มันก็สงบแล้วจริงหมอ่าอ่ายก็รู้ชั่วก็รู้มันผุดขึ้นอยเนี้ยตามรู้ตามดูจีิงไหมไม่เป็นดีไปชั่วกับมันความคิดจริงไม ม, มันก็สงบลงเองเนี่ยเห็นไหมลูกตาครับแล้วถ้าเกิดว่าเกิดสภาวะนั้น เราไปสอนคนม่วเนี่ยมันจะเป็นกรรมเพิ่มเลยครับอ่ามันก็เป็นกรรมี่เพราะว่าเป็นกรรมอยู่แล้วล่ะเพราะว่าตัวเองยังไม่พ้นกรรมยังเป็นผู้เบียเดเบียนตนอยู่เข้าใจไหมเขาเข า, เขาเรียกว่าเป็นทำเมาเห็นไหมเบื่อทาเบื่อทําเมาฮะอ่าอย่างนี้ทักเพียนเพราะกาลังทํำไมมันถึงเพี้ยนเรียกว่าวิปั ช, ชนูตอนแรกเรียกว่าสุศลและทักกระป่า กสศลเนี่ยหมาถึงดีคิดดีไงคิดอย่างให้คนอื่นดีอยากให้นคนอื่นรู้ทำเห็นไหมแต่พอานางไปกําลังของฌานเนี่ยกาลังของจิตเนี่ยมันลดลงทีงนี้ทีเด็เลยเข้าแทรกรือเรียกว่ามีปัสสนนั่นเองทีงนี้พอทีเด็ดเข้าแทรกมันก็จะไม่พอใจคนที่ไม่ฟังมาแล้วเข้าใจไหมมันก็จะเป็นเรื่องอากุศลและเขาแทรกทีนี้ก็จะงโหให้เขาเห็นไหมบางคนบางทีชี้หน้าลเลยเฉวัตรตัดว่า <laughs> เขาไม่ฟังจริง นี awesome no in ่เขาเรียกว่าวิป uh ัสสนูนะก็ไปทะเลาะเขาโมกไปหมดเห็นไหมนี่อะไรจริงไหมอยู่เอาเอานีไหมในในชั่วโมงนะนชั่วโมงก็ต่อได้เนี่ยมันจะไปจำจัดอะไรตั้งหนาจำกัดอะไรตั้งหนาจริงไหมก็ถามว่าทุกนี้กี่อย่างครับว้า เขาถามมาทุกวันเลยครับไปคิวไม่ได้หรอทุกมีกี่อย่างใช่ทุกมีทุกอย่างมีหลายอย่างมากแก่รวมลงแล้วทุกเพราะการเกิดรวมลงอันเดียวคือทุกเพราะการเกิดทุกเพราะสมุทัยนะถ้าเห็นของการเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ทุกจำไว้ทุกเพราะความปรุงแต่งเนี่แหทุกเพราะสังขารนฮะ ถ้าไม่คุงแต่งก็ไม่ทุกงั้นพระหามจะเรียกว่าพ้นทุกเลยนะนะทุกเหมือนหลอดไฟเนี่ยเขาจะเรียกว่าเวทนาอ่นะแต่เราไม่ได้ไปดับทุกนะไม่ไดับเหตุ ข, ของทุกคือเอาคันเอาลงดับหมดทุกหอย่างนันนะ่าประมาณ น, น, นะน ะ, นะะจากคุณนรัต ม, มนคร วิบากกรรมของเราที่เจอมาตั้งแต่เด็กจนแก่เท่าทั้งดีร้ายเราจะปฏิบัติให้พ้นวิบากกรรมได้ไหมเจ้าค่ะโดยไม่ต้องบวชไดอได้ได้ถ้างทำได้นะถ้า ม, มึงอยู่ในฐานของอาณาปณสติได้นะเมื่อไหร่สมัยพุทธกาลภาษาลีบุตรก็ยังไม่บวชนะบรรลุธรรจริงไหมล่ะถ่าโมฆลา น, น้ำเนี่ยก็ยังไม่บวชนะบรรลทํา เข้าใจไหมแล้วจากเพราะว่าว่าคือห้าทั้งห้าก่อนยังไม่ได้บวชนะบรรลุธรรมบรรลุแล้วเขาขอบวชจริงไหมเพราะฉะนั้นโยมก็บรรลุธรรมได้นั่นแหละคําว่าโยมก็บรรลุธรรมได้นะนะเพราะว่าอ่าถ้าถ้าเป็นฆ่าละหันแล้วหมายถึงพ้นทุกข์ก็ขอบวชที่จริงเป็นฆ่าละหนันนันจะเป็นโยมแล้วเห็นไหมก็จึงเป็นที่มาของว่า เป็นโยมก็บรรลุทำได้เข้าใจไหมเพราะว่ามันมีมาอย่าลืมว่าคนธัญะารู้แม้จากว่าคียยังไม่ได้บวชนะก็บรรลุก็ปฏิบัติทุกคนปฏิบัติมานานแล้วล่ะแต่ว่าไม่ใช่บวชในศาสนาบวชในทรั้งนี้หมายถึงขอบวชเปนที่ชุกก็ไม่รู้ภาดอะไรอาจาอยกูเสดไม่ทำ อกูก็กูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะกูเกิดไม่ทันตรงเนี้ยอ่ะเหมือนตอนนี้เห็นไหมกาลังโขกเถียงกันว่าพวกเราเนี่ยคนชิ้วนี่ผิดเห็นไหมที่จริงศาสนาพูดเนี่ยพระเนี่ยไม่คนเชี่วเขาว่าเงี้ยอ่ะจะในนี่จะในประเทศไทยนี่คนชิว่วอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็มีการโขกเถียงและที่จริงมันไม่ได้ผิดที่ว่าคนชิ้วไม่คนชิ้วจริงไหมมันสิที่คนไปถ้าว่าพ้าวัดนั้นเอามาเทียบกันพระ มาเท่นั้นเอามาเทียวกันด้วยเถิดฮะเห็นไหมล่ะนะเพราะฉะนั้น ก, กรรมบรรลุธรรมก็เหมือนกันไม่จำเป็นต้องบวชก็บรรลุธรรมได้เห็นไหมอ่าก็ที่แห่งกรรมนี้ได้ล้านปเปอร์เนเลยโยมก็ทําได้ข้ามึงทําได้นะข้ามึงทาได้นะพราะพระพุทธเจ้าก็พูดว่าบุคคลใดเป็นอยู่ในชอบเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากธารหันเห็นไหม การเป็นอยู่โดยชอบการทำความเพียรก็คือการมีสตินีแ่แหละอะถ้าขาดสติก็ขาดความเพียรมีสติก็มีความเพียรจำไว้ผู้ใดมีสติเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งสมาธิน ะ, ะจำไว้ขอให้มีสติทำงานก็มีอยู่ที่ไห้ก็มีนั่งอยู่นี่ก็มีอยู่อยู่รู้อยู่อย่างเงี้ยฮะนั่นแหละคือความเพียรที่แท้จริงมันยังไม่เป็นสมาธิหรอกมันไปนั่งขัดสมาธิจะทำสมาธิจริงไหม เห็นไหมเพราะฉะนั้นสมาธิที่แท้จริงไม่ใช่ไป น, นั่งคัจจมาติเข้าใจไหมไป น, นั่งคัจจมาติก็เพื่อจะทําสมาธิให้มันเป็นสมาธิจริงไหมเพราะฉะนั้นสมาธิจึงไม่ใช่กิรยาทั้งสี่ทำได้ทุกบททุกกิริยานั่นคือการมีสติอยู่นั่นแหละคือสมาธิที่แท้จริงไม่ได้เข้าฌานที่นี่คือการเจริญฌานหรือทรงฌานถ้ามีสติทรงอยู่ในลมหายใจนะรู้สึกตัวอยู่นะนะเหมือนกับเรา บ้านเรานี่มียามเลยนะสตินี่เป็นยามนะจนก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมมันมียามถ้ายามหลับเมื่อไหร่อของหายเลยนั่นแหละสติจำไว้นะเอาล่ะพอแล้วมันก็อาตุออยยยยูู่่่่ะเเนี ไปอยูับกูไม่ยูไม่ต้องขายของเลยอะอะว่มึงก็ให้เออรี่ออกจาเล่าก็หมดทุกีสามอยากอยากบรรลุไม่พวนีแต่คนบรรลุธรรมก็มาฟังครับคการ